บทที่หกเลี้ยงลูกให้ถูกวิธีไอ้หนูไข่กับปลาต้มปลาร้าหมดแล้วใช่ไหมยายถามเด็กผมแกะหมดแล้วครับยาย คนเป็นหลานตอบทำไมเอ็งไม่บอกยายละ่ะเมื่อเช้าขายของหมดยายจะได้ซื้อได้หามาไว้เองนี่ไม่รอบครอบเลยนะอย่างนี้จะไปเป็นพ่อบ้านแม่เรือนได้ยังไงยายบน่นถ้ามันลำบากนะักผมบวชไม่สึกก็ได้หลานชายประชดนาหน้าอย่างเอ็งนะหรือจะบวชไม่สึกยายว่าไม่ทันครบสามวันเจ็ดวัน ผาเหลืองก็ร้อนเสี็จแล้วนะผู้เป็นยายประมาทยายอยากรู้ก็ต้องคอยดูว่าแต่จะให้ผมไปซื้อไข่กับปลาต้มปลาร้าหรือเปล่าครับเด็กชายถามที่จริงเขารู้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วว่าของสองอย่างนี้หมดแต่ที่ไม่บอกยายเพราะอยากจะซื้อเองจะได้กินของสด ซึ่งมีรสชาติดีกว่าเวลาซื้อไข่ยายจะเลือกซื้อฟองที่เปลือกมันร้าวยายว่าจะได้ไม่บาปส่วนประดุกที่นำมาต้มใส่ปลาร้านั้นยายก็จะเลือกซื้อปลาที่ตายแล้วแถมบางครั้งก็มีกลิ่นตุดุเวลานำมาโครกใส่กับน้ำพริกจึงทําให้รสชาติไม่อร่อยเหมือนปลาสดสด เด็กชายจึงคอยหาโอกาสไปซื้อเองเพราะนอกจากจะได้ของสดแล้วยังได้เมมสตางไว้เป็นค่าขนมอีกด้วยก็ต้องไปนะสิไม่งั้นพรุ่งนี้เช้าจะไม่มีกับข้าวใส่บาทยายเดินไปหยิบเงินมาส่งให้ไม่วายสั่งว่าเลือกไข่ที่เล้าๆนะแล้วปลาดุกก็เอาที่ตายแล้วครับ เขารับคำอย่างนั้นเองเรื่องอะไรจะเสียเวลาไปเลือกไข่ที่มันร้าวซึ่งกว่าจะครบหนึ่งโลก็กินเวลานานเด็กชายใช้วิธีซื้อฟองดีๆแล้วไม่แอบเคาะตรงประตูรั้วก่อนเข้าบ้านทำอย่างนี้มันนานโดยยายไม่รู้ส่วนปลา น, นั้นพอชี้ตัวไหนแม่ค้าเขาก็ทุบหัวให้เศษสับ ไม่เห็นจะยากเย็นแต่ประการใดยายกำลังดา้ย่ายอยู่ข้างต้นมะม่วงเห็นหลานเดินมาแต่ไกลก็คอยจับตาดูสงสัยมานานแล้วว่าเวลาที่ใช้ไปซื้อไข่กับปลาเหตุใดหลานชาย จึงมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูรัว้วเป็นนานสองนานก่อนเข้ามาในบ้านยายแอบมานั่งยองๆข้างรั้วผู้ระหงเ้ามองไม่เห็นเพราะต้นผู้ระหงบงังกําลังใช้ก้อนหินเคาะเปลือกไข่ทีละฟองที่ะฟองครั้นถึงไบท์สุดท้ายก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อเสียงอันมีอํานาจของยายดังก้องขึ้นเบื้องหลังไอ้หนู ใครบอกใครสอนให้เอ็งทำอย่างนั้นอารามตกใจเด็กชายเคาะฟองไข่ใบสุดท้ายแตกคามือยายมาปรากฏกายอยู่เบื้องหน้ามือทั้งสองข้างเท้าเสะเอวยายถามว่าใครสอนให้เอ็งทำอย่างนั้นเสียงของยายทั้งดุทั้งดังไม่มีใครสอนครับผมคิดของผมเองอ๋อ ฉลาดดีนี่เรื่องชั่วร้ายแล้วก็เองฉลาดนัดสอบได้ที่หนึ่งทุกทีแต่เรื่องคุณงามความดีเองกลับสอบตกไปรีบขึ้นบ้านเดี๋ยวนี้ยายสั่งเสียงเฉียบขาดหลานชายเดินก้มหน้า ง, งดงุดขึ้นไปบนบ้านวางถุงไข่กับปลาลงและเดินไปหยิบไม้เรียวมาให้ยายโดยไม่ต้องให้บอก เขาวางไม้เรียวไว้ข้างๆถุงไข่กับข้าวไปล้างมือล้างไม้ให้สะอาดสะอ้านเสียก่อนเด็กผมแกละก้มลงหยิบไม้เรียวขึ้นมาถือเตรียมจะเดินไปยังตุ่มน้ำหลังบ้านทำไมต้องเอาไม้เรียวไปด้วยก็ยายบอกให้เอาไปล้างบอกเมื่อไรเดี๋ยวนี้เองยายว่าไปล้างมือล้างไม้ให้สะอาดสะอ้านเสียก่อน ผมก็เลยเอาไปล้างเขาพูดเรียนเสียงยายนี่เอ็งอย่ามากวนประสาทยายนะประเดี๋ยวได้ถูกเคี่ยนเป็นสองเท่ายายขู่เด็กชายจึงวางไม้เรียวไว้ตามเดิมและออกไปล้างมือยังตุ่มน้ำหลังบ้านแกล้งถ่วงเวลาให้เนิ่นนานเพื่อยายจะได้หายโมโหกโกรธาทําไมช้านักมือเอ็งใหญ่มากหรือยังไง ถึงได้ล้างนานอย่างนั้นยายตะโกนว่ามาตอนนี้ยังไม่ใหญ่หรอกครับตอนเป็นเปรต ถ, ถึงใจะใหญ่ยายบอกว่าคนเป็นเปรตมือใจะใหญ่เท่าใบลานผมเลยซ้อมล้างไว้ก่อนเขาตะโกนตอบยายคร้านจะตอบปากตอบคำจึงนั่งรอหยิบห่อปลามาแก้ดูยิ่งฉุนเฉียวหนักขึ้น ลาดุกหัวยุบลงไปมีเลือดไหลออกมาตามรอยแตกในความฉุนเฉียวนั้นยายก็รู้สึกสลดใจเริ่มสำรวจตัวเองว่าบกพร่องตรงไหนบ้างยายพยายามเลี้ยงดูเด็กผมแกละอย่างดีที่สุดอบรมพร่ำสอนให้เขาเป็นคนดีหลวงพ่อเชื้อเคยสอนยายว่า เลี้ยงลูกให้ถูกวิธีต้องทำความดีให้ลูกดูยายก็ปฏิบัติตามที่ท่านสอนมาโดยตลอดลูกเจ็ดคนของยายเป็นคนดีหกคนส่วนนางเรียนลูกสาวคนโตนั้นผ่าเหล่าแต่ยายก็ทำใจได้เมื่อคิดเสว่าไม้ผ่ ย, ยังต่างปล้องพี่น้องยังต่างใจมีลูกดีหกชั่วหนึ่งก็ยังดี ดีกว่าดีหนึ่งชั่วหกเพราะถึงจะเกิดท้องเดียวกันแต่ก็ใช่ว่ากรรมจะต้องเหมือนกันครั้นมาถึงหลานยายก็ใช้วิธีเดียวกับที่ใช้กับลูกแต่เหตุจะไหนจึงล้มเหลวโดยสิ้นเชิงหรือเป็นเพราะว่ายายใจร้อนวุ่วามใช้ไม้แข็งมาตลอดยายน่าจะลองใช้ไม้อ่อนดูบ้าง ล้างมือเสร็จแล้วเด็กผมแกลจึงกลับมานั่งพับเพียบเรียบร้อยต่อหน้าคนเป็นยายพูดเสียงอ่อยๆว่ายายครับผมผิดไปแล้วเอาละไอ้หนูคราวนี้ยายจะยกโทษให้แต่เองต้องสัญญาว่าจะไม่ทำเช่นนี้อีกเข้าใจไหมยายพูดด้วยเสียงที่อ่อนโยนทั้งที่ต้องฝืนใจ แต่มันอร่อยนะครับยายปลาสดสดอร่อยกว่าปลาตายเห็นยายหายโกรธเขาจึงกล้าแสดงความคิดเห็นถูกแล้วไอ้หนูยายรู้ว่ามันอร่อยแล้วไข่สดสดมันก็อร่อยกว่าไข่ร้าๆที่ลมเข้าแล้วใช่ไหมใช่ครับผมถึงต้องขัดคำสั่งของยาย การกินของสดทำให้ท้องไม่เสียนะครับอย่างเวลาที่ผมพลากกุ้งกินที่บ้านเพื่อนผมเอากุ้งฝอยเป็นเป็นมาโขลกกับกระเทียมพริกขี้หนูแห้งใส่น้ำปลาบีบมะนาวโอ้โหอร่อยอยบอกใครเชียวกุ้งมันยังเต้นยิ บ, ย, บยิบอยู่ในปากแม่เพื่อนผมเขาก็ไม่เห็นว่าอะไรยังชมว่าผมทําอร่อยแล้วท้องก็ไม่เสีย ถ้าเอากุ้งตายมาทำท้องเสียทุกทีไม่อร่อยด้วยเอาละ่ะยายขอถามเอ็งนิดเดียวว่าถ้าให้เอ็งเรามาเป็นกุ้งดูบ้างจะเอาไหมไม่เอาครับตอบทันควันทำไมละ่ะอร่อยไม่ใช่หรืออร่อยคนกินเนีครับแต่กุ้งมันคงปวดแสบปวดร้อนหน้าดูถ้าอย่างนั้นเอ็งก็เห็นแล้วใช่ไหมว่า เราไม่ควรเบียดเบียนชีวิตสัตว์เราไม่อยากถูกเบียดเบียนฉันใดสัตว์อื่นเขาก็ไม่อยากถูกเบียดเบียนฉันนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องจาเอาไวน้นะหลานเกิดเป็นคนต้องสร้างความดีอย่าไปสร้างความเลวร้ายจะได้ไม่อายตัวเองแต่ใครๆ ก, ก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้น ถ้าคนพากันกินอย่างยายก็ไม่มีคนเขาขายปลาให้เราซื้อกินหลานชายยังคงเถียงไอ้หนูยายสอนเอ็งบ่อยๆว่าอย่าไปเพ่งโทษผู้อื่นแต่ให้สำรวจตรวจสอบตัวเองใครเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาเราทำตัวของเราให้ดีเขาไว้จะได้ไม่เกิดในอบายงั้นคนอื่นเขาก็พากันตกนรก เองก็ไปตกกับเขางั้นสิก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ครับดีสิอีกจะได้เป็นเพื่อนกันเด็กชายกลับเห็นเป็นเรื่องสนุกมันไม่เป็นอย่างนั้นนะสีหลานเมืองนรกมันไม่เหมือนกับเมืองมนุษย์ที่เราสามารถหาเพื่อนกินเพื่อนเล่นได้แต่ในเมืองนรกไม่มีใครเป็นเพื่อนใครโดยต่างคนต่างถูกลงโทษทันอย่างแสนสาหาัส ไม่มีเวลามาคบเพื่อนอย่างในเมืองมนุษย์หรอกนะหลานเอ้ยทางที่ดียายว่าอย่าเสี่ยงดีกว่าถ้าไปเกิดในสวรรค์ชั้นฟ้าไม่ได้ขอให้มาเกิดในเมืองมนุษย์อีกก็ยังดีถ้าเองคืนสร้างกรรมชั่วเองต้องไปเกิดในเมืองนรกเชื่อยายเถอะยายพยายามกล่อมกลาวจิตใจหลานชาย ยายพูดยังกับว่าเคยไปเห็นเมืองนรกมาแล้วอย่างนั้นแหละเด็กชายไม่เชื่อว่านารกมีจริงเคยสี่หลานถึงยายจะไม่เคยเห็นเมืองนรกที่อยู่อีกภพภูมิหนึ่งแต่นรกในเมืองมนุษย์ยายเคยเห็นมาแล้วอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ใจของเรานี่แหละที่เรียกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจยังไงล่ะเมื่อเรามีความสุข ใจก็ปีติยินดีแช่มชื่นเบิกบานดังได้ขึ้นสวรรค์แต่ถ้าเราทุกทนหม่นไม่ใจก็เศร้าหมองร้อนรนกระวนกระวายเหมือนกับอยู่ในนรกอย่างคนที่ถูกล่ามโซ่ถูกขังไว้ในคุกก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นใช่ไหมครับเด็กชายถามด้วยเคยได้ยินคนที่ไปติดคุกมาเขาพูดให้ฟัง ถูกแล้วคนที่เข้าไปติดคุกก็เพราะเขาทำกรรมชั่วเช่นคนที่ไปปล้นไปฆ่าเขาตายต้องตกนรกทั้งนรกในเมืองมนุษย์และในปรโลกสมมติว่าเองไปฆ่าเขาตายเองต้องติดคุกอันนี้เท่ากับตกนรกในเมืองมนุษย์และเมื่อเองตายไปก็ต้องไปตกนรกในปรโลกหมายความว่าต้องตกนรก ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าอย่างนั้นเหรอครับเด็กชายชัดจะหวัดหวาดแม้ไม่เชื่อถูกแล้วแต่ผมไม่เคยไปปล้นไปฆ่าเขานี่ครับแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะทําเช่นนั้นด้วยแต่กรรมชั่วเล็กๆน้อยๆที่เองทําอยู่ก็ควรจะเลิกเสียเพราะถึงมันจะไม่ร้ายแรงเท่าไรแต่ก็ได้ชื่อว่าสะสมกรรมชั่ว กรรมมันมีผลมีวิบากนหลานคนทำกรรมชั่วบ่อยๆจนเคยชินจะทำให้กิเลสในตัวงอกงามขึ้นส่วนคนที่สะสมกรรมดีไว้มากๆก็จะทำให้กิเลสเครื่องเศร้าหมองในตัวลดน้อยลงเขาก็จะบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆและถ้าเขาดำเนินอริยมรรคมีองค์แปดกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพาน เขาก็จะบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสและทุกทั้งปวงเพราะอย่างเนี้ยยายถึงไม่อยากให้เองก่อกรรมทําชั่วเพราะไม่อยากเห็นเองตกนรกอยากเห็นเองบริสุทธิ์ผุดทองเป็นพระอรหันต์ต่อไปในภาคหน้า ผมไม่ตกนรกหรอกครับยายเพราะไม่มีนรกจะให้ตกเด็กชายยังดื้อรั้นยายรู้สึกอ่อนใจใช้ไม้แข็งก็แล้วใช้ไม่อ่อนก็แล้วล้านชายยังไม่ยอมเปลี่ยนความคิดเห็นจะต้องวางอุเบกขาคิดซื้อว่าเป็นกรรมของเขาเขาทำกรรมมาอย่างนี้จึงต้องมาเป็นอย่างนี้ยายถอนใจแรงๆหนึ่งครั้ง บอกหลานว่าเอาของไปเก็บในครัวแล้วก็จัดการหุงอาหารเสร็จแล้วก็ลงไปช่วยยายด่าย่าในสวนค่ำค่ค่อยกินข้าวกันยายไม่เคียนผมแล้วหรอครับเด็กชายทงถามเขาถูกยายเคี่ยนแทบทุกวันจนรู้สึกชินวันไหนไม่ถูกเคี่ยนวันนั้นเป็นนอนไม่หลับ ยายจะไม่เคียนเองอีกแล้วเพราะมันไม่ทำให้เองดีขึ้นแม่เรียวของยายไม่มีความหมายสำหรับเองแล้วคนอายุแปดสิบพูดปลงๆมีสิครับยายถ้าไม่มีแม่เรียวของยายผมอาจจะเรียวร้ายยิ่งกว่านี้ยายอย่าเลิกเคียนผมเลยนะครับเขาขอร้องไอ้หนู นี่เองพูดจริงๆหรือว่าล้อยายเล่นยายรู้สึกพิสวงพูดจริงๆครับวันไหนถูกยายตีผมมีความสุขกินได้นอนหลับถ้าอย่างนั้นยายก็จะเลิกตีเองไม่ใช่เพราะไม่อยากให้เองมีความสุกหรอกนะแต่ยายกลัวเองจะวิปริตผิดมนุษมนาแค่นี้ยายก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วอย่าให้มันหนักกว่านี้เลยนะหลาน ยายยังไม่อยากอายุสั้นคนอายุ80น่ะไม่สั้นแล้วล่ะครับยายคนเป็นหลานแยงแต่ยายอยากให้อายุยืนถึงร้อยปีจะได้ช่วยเลี้ยงลูกให้เองไงละ่ะผมตัดสินใจแล้วว่าจะบวชไม่สึกแต่เอาเถอะถ้ายายอยากจะอยู่ถึงร้อยปีผมไม่บวชก็ได้ประเดี๋ยวจะไม่มีใครหุงข้าวให้ยายกิน ตักน้ำให้ยายอาบไม่เป็นไรถ้าเองจะบวชจริงๆยายจะไปขอพี่สาวเองมาทำหน้าที่แทนก็ได้ขอให้เองบวชไม่ศึกอย่างที่พูดเถอะยายกลัวว่าจะไปไม่ตลอดรอดฟังนะสิรับรองผมว่ายน้ำเก่งยังไงยังไงก็ต้องถึงฝั่งจนได้นั่นแหละเด็กชายยั่ว เอาละไปทำงานได้แล้วพูดมากเสียเวลาทำมาหากินยายจะลงไปทางหญ้าแล้วนะคนถูกยั่วพูดตัดบทตกลงยายจะไม่เคียนผมจริงๆหรอครับขอสักทีก็ยังดีนะครับหลานพูดพร้อมกับหยิบไม่เรียวส่งให้ยายรับไม่เรียวมาแล้วหักเป็นสองท่อนโยนออกหน้าต่างไป สงบจิตสงบใจเสียบ้างนะหลานนะยายพูดเสียงเรียบจากนั้นจึงเดินลงเรือนไปยังสวนหลังบ้านเด็กช <Whether S 1> <basket> ายจเจริญหยิบถุงไข่กับปลาเดินเข้าไปในครัวจัดการก่อไฟตั้งหม้อข้าว ระหว่างรอให้ข้าวเดือดเขานำประดุกออกมาผ่าท้องควักเอาไส้ออกตัดเงี่ยงทั้งสองข้างออกด้วยเสร็จแล้วจึงนำไปล้างจนสะอาดหยิบไข่ไก่ออกมาสองฟองทุบใส่กละมังใบเล็กใช้ช้อนตีจนขึ้นฟองสอยหัวหอมเติมน้ำปลาลงไปเมื่อข้าวสุกเขานำหม้อหลนปลาร้าขึ้นตั้งไฟเติมน้ำ และปลาร้าลงไปอีกต้มจนเดือดจึงใส่ประดุกลงไปทั้งตัวปิดฝาให้สนิทเพื่อไม่ให้ปลาหมิ่นคาวจากนั้นจึงเอาพริกสดที่ยายเก็บจากต้นเตรียมไว้มาให้เสียบไม้พร้อมกับหัวหอมหัวกระเทียมยกหม้อหลนปลาร้าลงจากเตาแล้วเขาจึงเผาพริกและหอมกระเทียมยายเก็บผักไว้ให้ เขานำผักบุ้งกับผักตําลึงมาต้มส่วนผักกระถินนั้นรับประทานสดๆได้ผักสุกแล้วจึงทอดไข่จากนั้นจึงต้มข้าวให้นางด่างกับนางดำซึ่งใช้ปลายข้าวมาต้มใส่หัวประดุกลงไปเป็นน้ำเชื้อลำดับสุดท้ายคือน้ำพริกเขาหยิบคกงายขึ้นน้ำพริก และหอมกระเทียมที่เขาเผาสุกแล้วมาแกะเปลือกออกแล้วโขลกรวมกันใส่เกลือเม็ดเืองๆลงไปหนึ่งเม็ดยายสอนว่าน้ำพริกจะมีรสชาติขึ้นให้เติมเกลือลงไปการทำกับข้าวให้อร่อยต้องมีเคล็ดเช่นเครื่องปรุงจะต้องใส่เป็นจํานวนขี้อย่างพริกครกนี้เขาใส่พริกสด9้เม็ดกระเทียมหนึ่งหัว หอมสามหัวเกลือหนึ่งเม็ดจากนั้นจึงแกะเนื้อปลาดุกใส่ลงไปโครกให้ละเอียดแล้วก็ตักใส่ถ้วยเทน้ำปาร้าใส่แล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้ก็ได้น้ำพริกรสเด็ดที่เขารู้ว่ามันอร่อยโดยไม่ต้องชิมกับข้าวเสร็จแล้วเด็กชายลงไปที่สวนหลังบ้านช่วยยายถางหญ้า พวนดินเพื่อรอเวลาอาหารคำ่ำวันนี้มีการบ้านหรือเปล่ายายถามขึ้นไม่มีครับเขาตอบความจริงครูให้การบ้านทุกวันแต่เขาไม่จำเป็นต้องนำมาทําที่บ้านสั่งเพื่อนให้ทํามาตอนเช้าเขาก็ไปลอกเพื่อนส่งครูไม่เห็นจะยากเย็นที่ตรงไหนงั้นเดี๋ยวอิ่มข้าวแล้ว ให้อ่านหนังสือไปจนสามทุ่มจึงค่อยนอนอีกไม่กี่เดือนก็จะสอบแล้วอย่าลืมว่าเองจะต้องสอบให้ผ่านจะได้ขึ้นชั้นไปเรียนมัธยมกับเขาเรียนที่ไหนไดีล่ะครับยายเด็กผมแกลถามเพราะโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่ขณะนี้มีแค่ชั้นปฐมปีที่ส่ไปสอบเข้าวัดโบสถ์ก็แล้วกันใกล้บ้านเราหน่อย ถ้าเกิดสอบไม่ได้ละครับหลานชายวิตกต้องได้สิเป็นหลานยายจางสอบไม่ได้ก็เสียชื่อแย่ถ้ายายกลัวเสียชื่อก็ช่วยไปสอบแทนผมด้วยก็แล้วกันเขาเริ่มยั่วยายไม่ตอกกรอนด้วยเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเลยต้องยอมให้เด็กผมแกลกคนนี้เย่ะเย้ยถากถาง ชาติหน้าฟ้าใหม่หากได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกขอให้ลูกได้มีโอกาสเล่าเรียนเขียนอ่านกับข้อบ้างเถิดจะประคุณยายอธิษฐานในใจ